หลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังก่อนที่จะสมาทานศีลวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญในวัดของพวกเราเพราะนั้นเมื่อพวกเรามาถึงวัดแล้วหลวงพ่อก็ให้พวกคณะสัทธ า, าิโยมตั้งใจสมาทานศีลศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีล สำหรับครวัตญาตโยมศิลเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็คือศิลห้าที่พวกเราจะได้สมาทานลาดับต่อไปสินห้าเป็นศินของครวัตญาติโยมศิลสิ 10, เป็นศินของสมณเณรสินสองอยยี่สิบเป็นศินของพระภิกษุสงฆ์เพราะฉะนั้นพวกเรา ห่างเหินจากศีลธรรมมากเกินไปก็ทำให้ตัวเองจิตใจหาที่ยดึดถาที่เกาะหาที่พึ่งพิงไม่ได้เนี่ยพูดอย่างนั้นได้ถ้าว่าพวกเราอยู่ใกล้ศีลธรรมจิตใจมีหลักจิตใจไม่ห่างเหินจากคุณธรรมศีลธรรมจิตใจของเราจะ ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างลึกๆใครๆว่ามีความหวังหรือว่ามีความเพึ่งพิงในจิตใจแต่ถ้าว่าพวกเราเหินห่างจากธรรมะมากๆพวกเราก็ใช้อีกความคิดหนึ่งเข้ามาเพราะความคิดในไม่เชื่อไม่เชื่อบาปุลคุณโทษไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดแต่ว่าความไม่เชื่อจุดนั้น ก็ไม่ทําให้ใจของเราสงบร่มเย็นขึ้นมาได้อีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะมันเราปฏิษษเสธหรือว่าเราลักษณะหลอกตอนเองเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเราเชื่อตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์แล้วจิตใจของเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นจุดลึกๆเย็นใจที่พวกเราเข้ามาใกล้ศีลธรรม เพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าพวกเราปฏิบัติดีแล้วตัวของเราเองจะร่มเย็นจากนั้นผู้อยู่ใกล้ชิดพวกเราสามีพันยาลูกเต่าเหล่าหลานก็จะมีความสงบรมยินเป็นสุขด้วยกันต่อไปกับประเทศชาติบ้านเมืองต่อโลกทั้งหมดถ้าโลกทางโลกขาดศีลธรรมอันดีงามแล้วโลกก็จะเดือดร้อนวุ่นวาย ไม่ต้องสงสัยงั้นถ้าโลกขาดศีลธรรมยกใดสมัยใดโลกขาดศีลธรรมมากๆโลกยุคนั้นสมัยนั้นก็จะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นถึงยังไงก็าตามถึงโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายยังไงแต่ตัวของเราเป็นพุทธมาม ก, กะพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพวกเราควรจะน้อมทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตใจของพวกเรานะ อย่างวันนี้พวกเราได้มาวัดของหลวงพ่อจะเริ่มทําบุญในวันพุ่งนี้นะแล้วก็พวกเราก็จะได้เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้รักษาศีลสมาทานศีลให้กายวาจาบริสุทธิ์แล้ววันพรุ่งนี้เราก็จะได้ทําบุญทําทานถวายทานในพระสงฆ์ที่มาร่วมในงานในวันพรุ่งนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราพวกเราจะอุทิศส่วนกุศลถึง ผมมีอุปการะคุณสําหรับพวกเราน ะ, ะตอนนี่ไปหลวงพ่อจะนําให้สิ่ง น, นะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธาวัน พรุ่งนี้หลวงพ่อจะได้อ่านประกาศให้ทราบเรื่องการทําบุญก่อนที่พวกเราจะทําบุญนะเพราะนั้นหลวงพ่อจะแจ้งข่าวตอนดอนนี้ก่อนครั้งหนึ่งนะแล้วก็วันพรุ่งนี้หลวงพ่อจะให้ผู้ประกาศก่าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อแจ้งให้พวกเราได้รับทราบว่าจุด ป, ประสงค์ระหว่าการทําบุญของพวกเราในครั้งนี้ มีจุดประสงค์มุ่งหมายอะไรตามที่หลวงพ่อได้กำหนดขึ้นมาอันนีหลวงพ่อก็บอกว่าขอประกาศให้ทราบเรื่องการทำบุญในวันนี้คื อ, ค อ, คอวันพุ่งนี้นะเพื่ออุทิศแดบุพ ก, การีพร้อมเปตยาที่ล่วงลับไปแล้วและวันลํำลึกถึงท่านผู้มีอุปการคุณต่อวัดป่านาคำน้อยทำบุญประจำปี พศ2550ตรงกับวันอาทิตย์ที่10มิถุนายนพศ2550วันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้มาพร้อมเพียงกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศและส่งเสริมบารมีธรรมดังต่อไปนี้ประการหนึ่งแด่ท่านผู้เป็นบุพการีออคือ โยมพ่อของหลวงพ่อนะและกับคุณโยมแม่ของหลวงพ่อโยมบิดามานดาของหลวงพ่อประการที่สองแด่ท่านผู้มีอุปกราระคุณวัดป่านาคำน้อยทุกรูปทุกท่านทุกรูปก็คือพระที่มาอยู่วัดหลวงพ่อเนี่ยมรณะภาพไปก็มีคือหลวงตาเจษท่านคยอยู่วัดป่าบันตาอายุท่านแก่แล้วท่านมาบวช ท่านก็ได้มาช่วยสร้างมาซื้อที่ดินมาช่วยสร้างมาพัฒนาปลูกต้นไม้กับวัดหลวงพ่อหลายปีจากนั้นพรรษาสิบกว่าท่านก็ได้มรณภาพไปว่าทุกรูปก็คือพระนะนะทุกท่านก็คือญาติโยมหลวงพ่อสร้างวัดมาเป็นเวลา20 25ปีนี่ก็ลังพอมาอยู่ปี2525 25, ปีนี่ปี2550นะ ก็เป็นเวลา25ปีเพราะนั้นญาติโยมผู้มีอุปกราระคุณที่เริ่มสร้างวัดทั้งผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ก็ล้มหายตายจากไปก็มากอ้ น, นีว่าที่มรณภาพและละโลกนี้ไปแล้วท่านเหล่านั้นได้เสียสละปัจจัยสี่ทุนทรัพย์กำลังกายกำลังสติปัญญาเป็นต้น สนับสนุนอุปถรัรมภ์วัดป่านาคาน้อยทุกด้านให้เป็นธรรมสถานเหมาะสมแก่การประพฤติธปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราเห็นอยู่ในขณะนี้นะประการที่สแดเปตญาตของพวกเราทุกทุกท่านที่ละโลกนี้ไปแล้วเมื่อปวงวิญญาณของพวกท่านเหล่านั้นตกอยู่ในสถานถิ่นใดหากตกทุกขอให้พ้นจากทุก หากมีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตามควรแก่คติภูมินั้นประการที่สเพื่อเพิ่มเติมส่งเสริมบา ร, รมีของพวกเราทุกๆท่านให้เจริญด้วยจะตรรุรรพิษพรชัยมีอายุวันะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติและเจริญยิ่งในธรรมตลอดกาลและนาน อันนี้ก็คือการทําบุญวันพุ่งนี้สรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเน้นหนักการทําบุญอุญส่วนกุศลให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของวัดที่ท่านได้เสียสละทุนทรัพย์กําลังกายกําลังทรัพย์มาช่วยสร้างวัดป่านาคําน้อยแห่งนี้ที่ท่านล่วงลับไปแล้วพวกเราก็ไม่มั่นใจว่าท่านเหล่านั้น จะตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเพราะวิญญาณหรือว่าใจของแต่ละท่านก่อนที่จะล้มหายตายจากจากโรคนี้ไปบางทีอาจจากคิดในทางที่ไม่ถูกต้องเมื่อตายไปแล้วอาจจะไปตกทุกข์ได้ยากอยู่จากนั้นก็พ้นจากความทุกข์ยากขึ้นมาก็มาคอยรับบุญกุศลจากพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นหลวงพ่อจึงจะให้มีการทำบุญ ประจำปีหลายปีมาแล้วพวกศรัทธาญาติโยมทุกท่านบางคนอาจจะยังไม่เคยมายังไม่เคยรู้แต่หลวงพ่อจัดมาหลายปีตั้งแต่ก่อนของก่อนคุณแม่ชีแก้วมรณาภาพชลัยซ้ำไปจากนั้นพอคุณแม่ท่านมรณาภาพหลวงพ่อยกคุณแม่เป็นประเด็นหลักอ่แล้วก็ทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลเพื่อดวงวิญญาณและเปตญาติทั้งหลาย คำว่าเปตญาติเป็นพวกเราพวกเราอย่าไปคิดว่าท่านเหล่านั้นเป็นเปเตเป็นอสุรกายไม่ใช่คือว่าเปตญาดคล้ายๆก็ว่าผู้ที่ล่วงลับไปในหลักของพระพุทธศาสน า, าพระบาลีท่านว่าผู้ที่ตายไปในทะั้งห่าจัดเป็นเปรตญาติทั้งหมดคือเป็นดวงวิญญาณไม่มีร่างกายเหมือนมนุษย์นะอันนี้ว่าที่ล่วงลับไปท่านว่าจัดว่าเป็นเปตญาดคือเป็นญาติของพวกเรา แล้วก็พวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้ว่าท่านเหล่านั้นจากพวกเราไปแล้วได้รับทุกข์ยากลาบากอย่างไรพวกเราที่อยู่เบื้องหลังได้สร้างบุญสร้างกุศลพวกเราพร้อมกันจัดงานขึ้นมานิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญจากนั้นก็ได้อุทิศส่วนกุศลเมื่อทำบุญจบลงไปแล้วพระสงฆ์อนุมัตินาให้พร พวกเราก็น้อมจิตอุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงเปรตาญาติของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สาคณาญาติญาติมิตรสหายตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้พวกเราก็จะน้อมอุทิศ ส, ส่วนกุศลแก่ท่านเหล่านั้นแก่ดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อได้ประ งานขึ้นมาที่จะจัดงานวันพรุ่งนี้นะคือในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองข้ามในการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลท่านถือว่างานนี้เป็นงานหลักแต่เป็นงานหลักของศรัทธาญาติโยมจุดปไายพระสงฆ์ก็เป็นผู้นำํำการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ว่า การทําบุญการสร้างบุญก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันถึงหลวงพ่อจะเป็นพระสงฆ์แต่ญาติพี่น้องของหลวงพ่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านอาจจะตกทุกได้ยากอยู่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ถึงจะหลวงพ่อจะไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาจบลงไปแล้วครัหลวงพ่อก็อุทิศส่วนกุศลเน้อถ้าว่าท่าน เหล่านั้นตกทุกข์ได้ยากอยู่ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลเน้อหลวงพ่อหรือว่าลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของท่านอันนี้หลวงพ่อก็ลิคคิดอยู่ไม่เคยละเพราะเหตุไรเพราะว่าร่างกายของพวกเราทุกๆท่านตั้งแต่ของหลวงพ่อนะ่ร่างกายหลวงพ่อได้มาจากใครใได้มาจากพ่อจากแม่พวกเราทุกๆท่านก็ ได้ร่างกายมาจากพ่อแม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่พวกเราก็ทนุถนอมท่านในลักษณะหนึ่งคือให้ปัจัจสี่ข้าวน้ำโภชนาะอาหารผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บสร้างที่พักพำอาศัยให้แก่ท่านอันนี้ก็คือปัจัจสี่ถ้าว่าท่านล่วงลับไปแล้วท่านตายไปแล้วพวกเราไม่รู้จะให้ท่านอย่างไร ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ว่าเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วควรทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านคือท่านยังไม่ให้ปล่อยป่าละเลยเพราะเหตุไรเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยังมีอยู่ที่ได้รับมรดกหรือว่าได้รับก้อนทุนมาจากพ่อจากแม่เพราะนั้นเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก้อนทุนก็ยังอยู่กับตัวของเราอยู่ วันนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านเมื่อถึงการเวลาที่เหมาะสมเวลาเราตัดบาทที่ไหนก็าตามเราทำบุญที่ใดก็าตามอย่างพวกเรามาในวันนี้นะ่ะประกาศชัดเจนในละ ว, วันนี้ให้พวกเราน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศานายาตจาตมิตรสหายเจ้ากํานายเวนของพวกเราด้วย แต่บางคนก็ว่าทำไมเจ้าอุทิศให้ทำไมเจ้า ก, กรรมนายเวรเอพราะมันเป็นศัตรูคู่อริของเราอยู่แล้ว เ, เป็นที่เกลียดที่ชังของเราอยู่แล้วอทำไม เ, เราทำไมจึงให้อิดส่วนกุศลถึงเจ้า ก, กรรมนายเวรด้วยอันนี้คือเราคิดเราคิดที่ว่าเขามาทําให้แก่เราแต่ถ้าว่าคิดดูให้ดีแล้วก่อนที่จะเป็นเวรกันน่ะ บางทีเราไปทําให้แก่เขาก่อนนะเราไปทําให้แก่เขาเขาเจ็บน้ํำอกน้ําใจเขาเจ็บใจเขาจะมาแก่แขนเราคืนนะเรามาทําเช็คบินเราคืนพอเช็คบินคืนแล้วก็เช็คบินเขาคืนอีกเอาไปมาเลยอีรานพันตูกันบันไม่รู้ใครเป็นใครผลใ น, นสุดไม่รู้ใครเป็นใครเพราะฉะนั้นเรามาพบมาเจอพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพบมาเจอหลัก คำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกเอาไว้ว่าเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระงับไม่ได้ด้วยการจองเวรเพราะฉะนั้นพวกเราได้รับทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราบอกว่าข้าจะไม่จองเวรทุกอย่างตอนใครๆทั้งหมดทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเนี่ยข้าพเจ้าจะ อให้อภัยข้าพเจ้าจะไม่จองกรรมจองเวรกับใครถ้าว่าจงกรรมจองเวรกันอยู่เวร์อย่างนั้นจะไม่ระงับถ้าชาตินี้เราชนะเขาแต่ชาติหน้าเราต้องแพ้เขาเนี่แหละมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเวรเนี่ยมันมันไม่มีใครแพ้ใครชนะใครมันอีรันพันตูกันอยู่อย่างนั้นแต่ชาตินี้เราได้เปรียบเขาแต่ชาติต่อไปเขาก็ได้เปรียบเรามันก็เป็นอยู่อย่างนั้นคพราะนั้นเมื่อเราได้พบ ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาธรรมะทำคําสั่งสอนแล้วพวกเราอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้นด้วยดวงวิญญาณเหล่านั้นด้วยเออให้เลิกลากันไปสนเสนาจบกันข้าพเจ้าจะให้อาภัยแก่ท่านถ้าว่าเขาเ อ, อเมื่อเราให้อาภัยเขาแต่เขายังไม่เลิกรานในการให้อาภัยเราแต่ถึงยังไงถ้าว่าเรา เขาจองเวีนเราเราเป็นผู้ละเขาเป็นผู้จองมันก็ไม่รุนแรงนะถ้าหากว่าเราก็จองเขาเขาก็จองเราต่างคนต่างตบมือใส่กันมันก็ดังแรงขึ้นนะแต่เขาตบมาข้างเดียวเราถอยเนะี่ยเวนนั้นก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่ภายนั้นท่านจึงให้อุทิศส่วนกุศลต่อเจ้ากรรมนายเวนะแต่ส่วนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนั้นอันนั้นเป็นผู้มี ผู้มีอุปการะคุณสำหรับเราเราก็พร้อมที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้ก็คือการทําบุญการอุทิศส่วนกุศลเพราะนั้นพวกเราในวันพรุ่งนี้นะตั้งจิตให้แน่วแน่และก็พร้อมกันนานทีปีหนจะได้มาร่วมการทําเป็นกิจจลักษณะเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ลํำลึกถึงผู้มีอุปการะ อุปกราระคุณของวัดที่ได้ช่วยเหลือวัดวาศาสนาวัดป่านาคำน้อยแห่งนี้หลวงพ่อกันได้จัดพิธีขึ้นมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นอันนี้ก็คือให้พวกเราทั้งหลายให้รับรูรับสาบแต่ตามให้จริงพระกรรมฐานพระป่าเนี่ยถ้าหาว่าจัดงานบ่อยๆอย่างนี้ ก็คงจะเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยหลวงพ่อก็ยังคิดอีกเหมือนกันนะ่ะเอหรือว่าเราจะจัดให้ตรงกับวันเกิดของหลวงพ่อซะยังคิดอยู่เหมือนกันว่างั้นคือวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาเนะี่ะยี่ิบเจ็ดเมษาหลวงพ่อก็คิดว่าน่าจะจัดงานในวันนั้นแต่บางท่านบางคนก็คัดค้านขึ้นมาอีกเหมือนกันเืออันนั้นเป็นงานวันเกิดของหลวงพ่อ ไม่น่าจะจัดงานอุทิศส่วนกุศลถึงผู้มีอุปการะคุณในในวันในวันนั้นน่าจะแยกกันหลวงพ่อหนะลงพ่อออมาคิดอีกเหมือนกันแต่ตามไม่จริงกั่นแหะปีหน้าเนะี่ยหลวงพ่อจะคงจะตัดสินใจได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้กําลังหลวงพ่อกําลังฟังแนวความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องศรัทธาญาติโยมพระเหงือนกันเดเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ต้องหลวงพ่อจะตัดสินใจโดยที่ ไม่ได้ไต่ตรองไม่ได้ฟังเหตุและผลจากผู้เกี่ยวข้องรอบด้านเช่นก่อนเพราะวัดวาศาสนาไม่ใช่ของหลวงพ่อองค์เดียวมันเกี่ยวข้องกับพวกศรัทธาญาติโยมอย่างพวกญาติโยมทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านนี่แหละหลวงพ่อก็ต้องฟังหน้าฟังหลังฟังซ้ายฟังขวาฟังให้ฟังให้รอบด้านจากนั้นหลวงพ่อก็จะตัดสินใจใช่ไหอันนี้หลวงพ่อก็กําลังอย่างเสียงอยู่งั้นเถะ อย่างเสียงหาเสียงยว่าเราจะรวมกันดีไหมในวันนั้นหลวงพ่อก็บอกว่านี้นะแต่ถ้าจะรวมกันก่อนหลวงพ่อก่มีทางออกว่าอุาการีของหลวงพ่อคือโยมพ่อยโยมแม่ของหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณหลวงพ่อเกิดมาจากพ่อจากแม่เพราะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเราจะทำบุญวันเกิดของหลวงพ่อเนี่ยอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ของหลวงพ่อ มันก็คงจะไม่ผิดไปที่ตรงไหนและก็พร้อมกันศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อที่ล้มหายตายจากไปในวัดผู้มีอุปการคุณที่ช่วยส่งเสริมสร้างวัดว า, าศาสนาขึ้นมาเราก็ทำบุญอุทิศกุศลกุศลพร้อมกันไปเลยในวันนั้นเนี่ยยกประเด็นโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อเป็นหลักจากนั้นก็พวกเราทาบุญอุทิศพร้อมกันไปเลย มันก็คงจะย่นในการจัดงานขึ้นมาดีไหมอันนี้ก็หลวงพ่อก็เดชพิจารณาอยู่ในเรื่องนี้แต่ยังไม่ตัดสินใจเพราะยังปีหน้าว่างั้นยังอีกหลายเดือนแต่ตามไม่จริงการสร้างคุณงามความดีการสังสมบูรณ์กุศลทำมากมันก็เป็นมันก็ได้มากทาถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าทำก็ได้เพราะนั้น การสั่งสมบุญกุศลใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนทาก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านแต่ถ้าวา่าเราทำหนักหนาเกินไปก็ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้เราก็ทำให้เขาไม่สบายใจและเขาลาบากสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องที่เป็นหัวหน้าวัดอย่างลูกพ่อของพ่อก็ต้องไ้คิดอีกเหมือนกันจะทำให้ลูกน้องหรือญาติโยมเขาหนักอกหนักใจหรือไม่ที่เรา ที่เป็นหัวหน้าได้จัดอย่างนี้ขึ้นมาแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็การจัดในครั้งนี้ก็คิดดีแล้วพิจารณาดีแล้วว่ามีคุณค่ามีประโยชน์เพราะว่าการที่พวกเราล้มหายตายจากไปทางว่าตกทุกข์ได้ยากอยู่ทางว่าพวกเราไม่ได้คิดถึงเขาดวงวิญญาณของเขาเลยอาจจะแล้งน้ำใจจนเกินไป พวกเราแล้งน้ําใจจนเกินไปเพราะนั้นการที่จัดงานหรือว่าการทํา บ, บุญในครั้งนี้ก็เป็นน้ําจิตน้ําใจของพวกเราทุกๆ ท, ท่านทีเขาทีเราเหมือนกนเถอะอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างเปรตพระเจ้าพิมพ์ิสารอย่างนี้ยคือพระเจ้าพิมพ์พิสารท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงราชสัก์พระพุทธเจ้าได้ตัดจารุแล้วก็มาโปรด พระเจ้าพิมพิสารก่อนที่จะมาโปรดเขาท่านก็มาโปรดฉดินสามพี่น้องอุลุเวลากัจ ป, ปะนาทีกั ป, ปะขายากาั ป, ปะที่เป็นชดินฉดินคือเป็นลือสีว่าไ้เะลือสีอยู่อยู่ในแม่น้ำถ้าว่าเปรียบเทียบอย่างทุกวันนี้ก็คือ อ, อย่างพวกเราใกล้น้ำโขงเดียวนี้ ผู้พี่เนี่ยก็ อ, อยู่ที่สังคมเยางนั้นแหละผู้น้องกลางอยู่ที่สีเชียงใหม่ผู้น้องเล็กอยู่ที่อำเภอท่าบอ่ออย่างงั้น่ะเป็นอาสมเลี้ยงกันแต่ผู้พี่นี่มีบริวารห้าร้อยผู้น้องมีบริวารสามร้อยผู้น้องเล็กมีบริวารสองร้อยรวมแล้วพันหนึ่งพันกับสามองค์กับผู้เป็นหัวหน้า คือเป็นเป็นเป็นฤาษีด้วยกันแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เอให้ท่านไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เออจะต้องเข้าไปโปรดปัญจวัคคีย์โปรดกุงราชคือโปรดพระเจ้าพิมพิสารก่อนท่นี้ก่อนที่จะเข้าไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารเนี่ย พระเจ้าพิมพิสานก็มีอาจารย์อยู่แล้วคือชดินสามพี่น้องเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพระเจ้าพิมพิสารแต่ถ้าว่าพุธองค์เข้าไปเขาก็คงจะไม่เพราะศิริฐานเพิ่งได้ตัดสรู้ใหม่เขาก็ยังไม่รู้แต่ชดินสามพี่น้องเนี่ยอยู่กับตระกูลของเขาอยู่กับเมืองของเขาอยู่กับประเทศของเขามาหนมนาน เพระนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้เหตุการณ์ท่านก็เข้าไปจัดการเรื่องบุคคลก่อนว่างั้นเถอะคล้ายๆกับว่าไปทําความเข้าใจไปโปรดปบนชดินสามพี่น้องก่อนที่เป็นลูศีจากนั้นพระองค์ก่อเดินดุ่มเข้าไปไปถึงลูศีผู้เป็นพี่อุลุเวล า, าัจปะที่เป็นพี่ใหญ่เขาเป็นลูศี ท่านกอไปทักทายไปเทศให้ฟังพอเทศให้ฟังพวกฤอษีเหล่านั้นท่านบูชาไฟนะบูชาไฟใครมีความทุกข์ยากลำบากขึ้นมาก่อนท่านะ่ะตักที่ทรายขึ้นมามากองเอาไว้เพื่อดับกิเลสราคะโทสะโมหะว่า ง, งั้นจะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไปก็ไปโปรดอุลุเวลาคัปะผู้พี่ชายใหญ่ พี่ชายใหญ่ก็เคารพนับถือเลื่อมใสเลยพอเห็นอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเชื่อฟังแล้วก็ลุเวลาผู้น้องสผู้น้นองชายก็ขึ้นมาอีกเห็นบริขารพี่ลอยลงไปอา้อาวพี่ชายเป็นยังไงจึงปลอยบริขารลงมาเนี่ยพอะพิชายปวดเป็นพระเนี่ยทิ้งบริขารลงน้ำเหมือนกั น, นจากนั้นบริขารก็ลอยลงไปหาน้องชายเล็กน้องชายเล็กก็อา้าวทําไม มีเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาทําไมจึงทิ้งเห็นบริขารพี่ขึ้นมาลอยลงไปเนี่ยก็เลยขึ้นมาทั้งสามพี่น้องพาบริวารขึ้นมามาของพุทธเจ้ากคนเทศให้ฟังนะเทศให้ฟังชั่นเรานีน่ลอยบริขารทิ้งทั้งหมดเป็นพระในพระพุทธศาสนานะกับที่พระพุทธเจ้าเทศในทางนั้นว่าเทศอธิตตปริยายสูตรที่ท่านเทศ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคืออนัตตรักนัสูตรแต่ท่านเทศชดินชดินสามพี่น้องพันกับสามองค์เนี่ยท่านเทศอธิตะปริยยจสูตรตาไปเห็นรูปเกิดความรักเกิดโทสะขึ้นมาเกิดความร้อนร้อนด้วยกิเลสคือโทสะถ้าตาไปเห็นรูปเกิดความชอบขึ้นมาเกิดตัวราคะขึ้นมาอันนี้เรียกว่า ใจร้อนด้วยไฟคือราคะหูได้ยินเสียงกังเขาดาเกิดโทสะขึ้นมาร้อนถึงใจอันนี้ประว่ติโทสะโศตะเกิดมาจากการได้ยินถ้าคนพูดเสียงอ่อนหวานเป็นที่นักที่น่ารักใข้ชอบใจประวัติไฟเกิดทางหูด้วยราคะ นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเทศชาดินสามพี่น้องในครั้งนั้นคือตาเป็นไฟหูเป็นไฟจมูกเป็นไฟลิ้นเป็นไฟกายเป็นไฟใจเป็นไฟเหมือนกันชาดินสามท่านเหล่านั้นทั้งพันสมองค์ท่านก็เลยสำเร็จเป็นพระอระหันต์จะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งสามอันนี้หลวงพ่อพูดอย่างรวบลัสนะจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารที่เป็น ลูกศิษย์ของชดินนี่ล่ท่านก็เข้ามากราบพระพุทธเจา้าท่านที่แรกท่านก็เอ๊ศรีรถะให้พุทธจเจ้านี่ครับชดินนี่ใครเป็นใหญ่กว่ากันเพราะเท่าเขาเคารพชดินสามพี่น้องน่ยว่าเป็นใหญ่สุดว่า ง, งั้นนี่ยเป็นผู้มีไอธิฤทธิธ์เป็นผู้พร้อมหมดทุกอย่างก็นี่พอมาถึงเขาก็สงสัยพระพุทธองค์ก็บอกกับชดินสามท่านบอกเออ บริวารของท่านสงสัยนะี่แสดงบอกให้เขาให้รับรู้รับทราบจต่ในชดินก็เลยกราบพระพุทธเจ้าให้เขาเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นพระศาสดาเป็นที่เคารพนับถือของข้าพเจ้าแต่ในพระเจ้าพิมพิสารก็ต้ใจเพราะงั้นต้ใจใบอกโอ้ขนาดชดินก็ยังเคารพพระพุทธเจ้า จากนั้นเขาก็ตั้งใจฟังธรรมในวันนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังคนได้สําเร็จทำมากประงัรหนึ่งในเทววันสิบเอดน้หดน่ยสิบเอ็ดนหน้หดก็คือที่ท่านนับออกมาประมาณล้านกว่าคนนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ส่วนหนึ่งจากนั้นก็เป็นพระโสดาบันก็มีสักกาคามีก็มีอานาคามีก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีในเทศในครั้งนั้น จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายวัดป่าเวลุวันเป็นครั้งแรกเหมือนกันนวัดป่าเวลุวันกรันดาปุตตานี่เป็นสวนพักผ่อนของพระเจ้าพิมพิสารคือเวลาพระเจ้าพิมพิสารจะเข้าไปพักผ่อนคือในป่าเวลาว่างๆราชการท่านก็เข้าไปพักผ่อนในสวนอุทยานประจำเมืองของท่านกรมทาเปรียบเทียบทุกวันนี่ก็คงจะเป็นลักษณะ สวนลออก้าหรือว่าสวนลุมพินีและลักษณะนะั้นแต่ความเป็นต้นไม้หนาแน่นมากัน่ะมีกระทั่งงูเห่ามีกระทั่งกระรอกกระแตอยู่ในป่านั้นดังนั้นท่านก็เห็นพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ที่จะสร้างเป็นสำนักหรือว่าเป็นวัดขึ้นมาพระเจ้าพิมพิสารก็เลยถวายวัดป่าเวลุวันการันรับุตระเวลุวันก็คือสวนไม้ไผ่น่ะนะ กลาลนักปุตตะก็คือเป็นที่ให้เหยื่อกระแตของพระเจ้าพิมพิสารจากนั้นก็พระเจ้าพิมพิสารก็ถวายด้วยน้ําใสใจจริงเทน้ําออกไปเป็นสักขีปยานคือน้ำเทออกจากน้ําเต้าตวัดน้ําทักคิโนโทกลงในแผ่นดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาแต่พระเจ้าพิมพิสารท่านไม่ได้อุทิศส่วนกุศลถึงใคร พอทำบุญจบแล้วท่านก็จบก็เหมือนกันท่านไปขายที่ดินมาแล้วท่านเลยเขาเขียนเช็คให้ท่านท่านก็เอาเข้าธนาคารจบเลยว่ากันเอท่านไม่ได้แบ่งให้แกใครทั้งหมดนี่แหละเปรตของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติที่ทาบุญทำกรรมมาด้วยกันมาในชาตินี้เขาก็จ้องมองว่าพระเจ้าพิมพิสารจะอุทิศส่วนกุศลให้เขาไหม พระเจ้าพิมพ์สิสารไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่แก่ผู้ใดทั้งหมดพอทําบนจบแล้วก็คือจบเหมือนเขาเขียนเช็คให้ท่านแล้วก็ท่านก็เอาเข้าธนาคารไม่มีไม่ได้แบ่งใครเลยว่างั้นเถะเนี่ยเปรตญ า, าติของท่านในอดีตชาติาเออพระเจ้าพิมพ์พิสารไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่พวกเราเนี่ยเขาว่าอุทิศส่วนกุศลความนี้จึงมีความหมายนะมีความหมายก็คือเราต้องอุทิศอุทิศส่วนกุศลให้ว่าเออ บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ด้วยให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยภาวนาด้วยสั่งสมคุณงามความดีบุญกุศลที่ทําแล้วนี้ขอให้บุญกุศลนี้ไปถึงดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคณายาดญาติาตมิตรสหายของข้าพเจ้าถ้าว่าท่านตกทุกข์ได้ยากอยู่ก็ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ถ้ามีท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป อันนี้เราส่งน้ําใจเราคิดส่งน้ําใจไปถึงบัพชนของพวกเราคือผู้มีอุปการะคุณสําหรับพวกเราท่านเรานั้นท่าว่าวิถีที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้ท่านก็จะมารับถ้ามารับไม่ได้มาไม่ได้คือมารับไม่ได้อย่างพวกเรามันเป็นมนุษย์กูเหมือนกันถ้าเราส่งของไปชนีไปให้แก่เขาถ้าเขาอยู่ในคุกในตารางอยู่ในที่ควบคุมอยู่ นนายไปชนีก็ไม่สามารถที่จะส่งให้เขาได้เพราะว่าเขาติดโคกอยู่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราตายไปแล้วไปตกนรกนะยมพบาลเขาควบคุมอยู่ถ้าเราส่งบุญกุศลไปให้เขาก็จะไม่ได้รับเพราะเหตุไรเพราะว่าไปไม่ถึงแต่บุญกุศลน่ะหายไปไหนไม่หายถ้าไปไปชนีเนีซื่อสัตว์เขาก็ต้องส่งกลับมาหาเจ้าของผู้ส่ง ไปชนีนะั้นไม่หายไปไหนแต่หาว่าไปชนีไม่ซื่อสัตว์มันก็หายอย่างว่าเพราะฉะนั้นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลมีความหมายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวคือพระเจ้าพิมพิสารตอนกลางคืนมาทีานี่เปรตทั้งหลายเมื่อไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเขาแสดงตนให้ปรากฏขึ้นมาแบบไม่มีเสื้อผ้าตัวพร้อมพระเจ้าพิมพิสารนอนไม่หลับทั้งคืนพอเห็นนั่นน่ะเห็นผีแบบนั้นเถอะ พระเจ้าพิมพ์พิสารเห็นผีเห็นผีกระโดดโรดเต้นเขาผีตรงนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าเห็นแสดงตัวให้ปรากฏพระเจ้าพิมพิสารตอนเช้ามาก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ว่ามหา婆พิษเป็นไงนอนบรรทมหลับสนิทดีอยู่เหรอพระเจ้าพิมพิสารก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์นอนไม่หลับทั้งคืนพระเจ้าข่ามเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรอิลุงตุงนางเห็นคู่คน บางทีก็เห็นคนผ่านในตาวุ่ยวายวุยวายไปมาอยู่ข้าพระองค์นอนไม่หลับคือบทสรุปนั่นคือกลัวตรงกันเลยผู้พระองค์บว่า น, นั่นแหะเปรตเป็นญาติของพระองค์เองนั่นเป็นดวงวิญญาณของญาติพระองค์เองเมื่อวานพระองค์ทาบุญถวายวัดปา่าเวรุวันและก็ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลถึงเขาเพราะนั้นเขาจึงแสดงตนให้ปรากฏที่อย่างพระองค์เห็นในคืนที่ผ่านมา พระเจ้าพิมพิสารก็สำนึกได้โอ้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลจริงๆก็ น, นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์อีกทำบุญในวันรุ่งขึ้นนะจากนั้นวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารก่อนิมนต์พระพุทธองค์กับพร้อมกับพระสงฆ์ถวายทานอีกรอบที่สองแต่ในพอถวายทานรอบที่สองแล้วพระเจ้าพิมพิสารก่อนนอนกลางคืนยังเห็นอีกอยู่เห็นคราวนี้แต่เปรตเหล่านั้นอ้วนท้วนสมบูรณ์ แต่ไม่มีเสื้อผ้าในเมื่อไม่มีเสื้อผ้าพระเจ้าพิมพิสารเขาอกเออทำไมเออเป็นอย่างนี้นก็ไปกราบพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ขาดในการถวายผ้าเสื้อผ้าถวายผ้าให้เขาพระเจ้าพิมพิสารถวายอีกรอบสามคราวนี้ถวายทั้งพัดทหารโดยถวายทั้งผ้าไตรออสําหรับพระพุทธเจ้าด้วยเปรตเหล่านั้นเขาก็ได้รับ เมื่อได้รับเขาก็ไปสู่กติของเขาอันนี้แหละคือเป็นตัวอย่างที่พวกเราจะน้อมจิอุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงบรรพชนหรือว่าพี่น้องปู่ย่าตายายของเราไม่ใช่ว่าเราคิดขึ้นมาแล้วก็ทําโดยที่ไม่มีหลักไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีความเป็นไปเป็นมาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังนั่นก็คือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลถึงเปรตญาตของพวกเราทั้งหลาย ถ่าวี่น้องของพวกเราไปตกทุกข์ได้ยากเมื่อตายไปแล้วไปเกิดไปตกนรกปกไหมสักพอพ้นตกนรกขึ้นมาก็มาเกิดก็มีความทุกข์ยากลําบากพวกเราก็จะได้ทําบุญอุทิศให้แก่เขาให้เขาได้ไปเกิดในคติที่ดีอไปเกิดในที่เหมาะสมตามบุญกุศลที่พวกเขาจะได้รับนอันนี้แหละคือการ จะทำบุญในวันพรุ่งนี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ได้ฟังเอาไว้ในหลักของพระพุทธศาสนาอันนี้ท่านยืนยันในพระไตรปิฎกพูดได้อย่า ง, งานั้นเพราะนั้นการทําบุญวันพรุ่งนี้เราไม่ได้คิดจัดขึ้นมาเพื่อกินข้าวต้มขนมธรรมดาจัดขึ้นมามีความหมายนิมนพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มารับไตรยทานจากนั้นพวกเราก็จะน้อมจิตอุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงบรรพชน ของพวกเรานะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ที่พวกเราได้รับมรดกจากพ่อแม่คือร่างกายของเราเนี่แหละขาสองแขนสองสมองหนึ่งนี่แหละคือมรดกของพ่อแม่ที่อยู่กับพวกเราในเมื่อพวกเราทํามาหาเลี้ยงชีพได้เงินคําทรัพย์สมบัติพวกเราก็ควรจะ คืนทุนให้แก่ท่านก็นคือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่ของพวกเรานะนะก็พร้อมกันพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจคิดไปอยู่เสมอว่าพวกเราเกิดมาอย่างไรแล้วพวกต่อไปภายภาคหน้าพวกเราจะเป็นอย่างไรอันนี้พวกเราให้คิดไว้ในใจไว้อยู่เสมอเพราะเหตุไรถ้าว่าพวกเราไม่คิดไม่อ่านไม่ได้ คิดทบทวนไปข้างหน้าท่านว่าตั้งอยู่ในความประมาทคือไม่ได้เตรียมพร้อมเพราะนั้นอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้ศรัทธาญาติโยมฟังดูหลวงพ่ออาจจะอจัดอาจจะแจก เ, เทปวันพรุ่งนี้นะแจกเทปวันพรุ่งนี้ที่พระฝรั่งท่านมาถามหลวงพ่อถามปัญหาหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านป่วยเป็นไวรัสซ คนที่เป็นเมลัดสีต่อไปจะเป็นมะเร็งในตับตับจะแข็งในเมื่อป่วยลักษณะอย่างนั้นแล้วผมเป็นพระผมจะปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้ก็คือพระพลังท่านถามหลวงพ่อก็ตอบในให้ท่านฟังว่าถ้าว่าเราเป็นพระเราก็รักษาก็ควรจะรักษาตามอาการเมื่อเข้าไปหาหมอเราก็ควรจะรักษาตามอาการ ถ้าเราปวดชีสระเราก็กินยาสักถ้าเป็นไข้เราก็กินยาแก้ไข้ถ้าท้องอืดเราก็กินยา แ, แก้ท้องอืดแต่ว่าถึงยังไงยังไงเราก็คิดติดแล้วมะเร็งรักษาไม่หายตายแน่ๆเพราะนั้นเราจะไปทนทุกท ร, รมานเราจะไปบีบให้ญาติว่าทําไมไม่รักษาเราทําไมเงินเอาไว้ทําไมแต่ตามไม่จริงญาติพี่น้องของเขาเขาก็คิดเต็มอกเต็มใจเหมือนกันที่จะรักษาให้หาย แต่เขาก็ถามแพทย์ถามหมอดูแล้วหมดวิสัยที่จะรักษาเพราะคนเราเกิดมาแก่เจ็บตายเนี่ยเพราะนั้นเราให้รู้เอาไว้ว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยก็ทาใจพยายามทำใจของเราน่นะสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้รักษาตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็มันสุดวิสัยหมอแท้ๆก็ยังตาย เราเราจะไม่ตายได้ยังไงอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ระ ล, ลึกไว้อยู่เสมอกับชีวิตของพวกเราเนี่ยมันถึงมันมีจุดจบนะอันนี้ก็คือหลงพ่อตอบข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านก็ถามว่านข้อนี้สําคัญนะท่านถามว่าเวลาจะตายเนี่ยเวลาใจจะขาดเนี่ยเวลาใจจะออกจากร่างควรจะทําใจอย่างไรควรจะคิดอย่างไรควรจะทําใจอย่างไร ในขณะที่ใจจะออกจากร่างเอออันนี้เป็นเป็นปัญหาที่พวกเราจะต้องไปเชิญกันทุกคนว่างั้นเถอะเออถึงจะไม่อยากฟังก็ต้องฟังเอาไว้นะเออตามหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้สอนตรัสเอาไว้ว่าก่อนที่พวกเราป่วยหรือว่าอาการที่จะตายที่จะทิ้งขันเนี่ยจิตใจจะออกจากร่าง ถ้าเป็นครวญญาตโยมไม่เคยปฏิบัติไม่เคยภาวนาก็ให้คิดและเลิกถึงคุณงามความดีของตนเองเออข้าพเจ้าได้รักษาศีลข้าพเจ้าได้ให้ทานข้าพเจ้าได้มาตั้งโรงทานข้าพเจ้าได้สร้างเสนาสนะวัดว า, าศาสนาสรุปแล้วก็คือให้เลึกถึงคุณงามความดีของตนเองที่ได้ทำเอาไว้ในอดีตจนถึงปัจจุบันใ ห, ให้ประมวลและลึกถึงคุณงามความดี เอาไว้อย่าไปโมโหโทโสโกทาให้แกใครใครในขณะนั้นโกรธก็เท่านั้นโมโหให้แกเขาก็เท่านั้นทำไมไแม่รักษาข้าทำไมจึงไม่ดูแลข้ายัางไงเ อ, อ๊มันล้วนแล้วจะเป็นความไม่ดีทั้งนั้นเพราะนั้นเราต้องหลับตายอมรับกัเออชีวิตของข้าเนี่ยคงจะไปไม่รอดนะข้ า, านี่เพราะว่าชีวิตของคนไม่ว่าเป็นแพทย์เป็นหมอในระดับไหน ก็ไม่มีใครที่จะพ้นไปได้มาละนะภัยตัวนี้เพราะนั้นเราต้องยอมรับเอออันนี้ก็คออือเมื่อเรายอมรับอย่างนั้นแล้วเราก็ภาวนาของเราไปพุโทโธพุโทโธทำใจให้สบายทำสบายและเลิกถึงคุณงามความดีของตัวเอง mm. ผมว่าถ้าตายในขณะนั้นไปสู่สวรรค์เพราะเราเลึกถึง บุญกุศลจิตใจที่เป็นกุศลก็ต้องไปสู่สวรรค์แต่ถ้าว่าใจของเราคิดห่วงหาอะไรในวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามเราเป็นห่วงวัวห่วงควายห่วงหมูห่วงม้าห่วงเป็ดห่วงไก่ห่วงบ้านห่วงเรือนอย่างเนี้ยอถ้าเราห่วงบ้านบางทีอาจจะเกิดเป็นแมลงสาบแล้วเกิดเป็นหนูเออเป็นตุ๊กแก่ก็ได้แต่ถ้าว่าเราเป็นห่วงสัต เราอาจจะไปเป็นนกเป็นไก่เป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายก็ได้เพราะเราไปห่วงห่วงตัวนี้ใครๆบอกวิญญาณหรือใจของเราเนี่ยไปเกาะไปติดกับสิ่งเหล่านั้นอย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างว่าพระในครั้งพระพุทธเจ้าทั้งที่ท่านรักษาศีลท่านภาวนาแต่ท่านได้ผ้าจีวรใหม่ท่านก็เป็นห่วงผ้าจีวรรักผ้าจีวรท่าน ท่านก็ส่งจิตไว้ในผ้าจีวรโอ้วันพรุ่งนี้เราจะได้ใช้ผ้าจีวรผืนนีนะ้ที่เราเย็บใหม่ๆนี่นะ่ะที่ที่ถูกใจของเราเนะี่ยท่านพิษเพียงแค่นั้นใจของท่านขาดเพราะท่านป่วยอาหารเป็นพิษในในคืนนั้นนะเพราะใจขาดท่านจะไปเป็นตัวเลนไปเป็นตัวเลนตัวลอยู่ในผ้าจีวรถึงถึงเจ็ดวันแ่าจากนั้นเลนตัวนั้นไม่มีอาหารกินพอเลนตัวเล็กมันไม่มีอาหาร เรนตัวก็ตายก็ตายแล้วก็ยังออกจากเป็นไปสู่สวรรค์ด้วยอนิสงสินอนิสง์ภาวนาของพระองค์นั้นนั่นแหละคล้ายๆหัวใจของเราเนี่ถ้าหาวัวใจจะขาดหรือหัวใจจะออกจากร่างเราไปห่วงหาอะไรไปเกาะไปติดกับสิ่งไหนขึ้นมาอันนั้นอันตรายมากเพราะนั้นพวกเราให้เตรียมพร้อมตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ให้ฝึกใจเอาไว้นะให้ฝึกใจเอาไว้ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ท่านภาวนาปฏิบัติหลวงพ่อว่าถ้าว่าเป็นพระถ้าว่าป่วยไขย้อาการหนักขึ้นมาให้เขาไปหาตัวผู้รู้คือใจกาหนดดูที่ใจดูที่ใจตัวที่ผู้รู้แต่ถ้าว่าพวกศรัทธา ญ, ญาติโยมไม่เคยภาวนาจะกำหนดอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าใจคืออะไรแต่ถ้าว่าเป็นพระสงฆ์เนี่ยท่านเคยภาวนาพิจารณามาแล้ว ทำสมาธิมาแล้วท่านก็จะเข้าสู่จิตใจของท่านดูใจของท่านท่านก็จะมองเห็นไหมถามใจตัวเองเห็นไหมใจแต่ก่อนเรารุ่มหลงมัวเมากับร่างกายว่าร่างกายในเป็นตัวตนของเราไปที่ไหนเดินเหินไปไหนก็สะดวกสบายทั้งกินทั้งถับทั้งข่ายไปที่ไหนก็สะดวกสบายแต่บัดนี้เห็นไหมร่างกายอยู่ในบัญชาของเราไหม ให้มันเดินเดินได้ไหมให้มันไปที่ไหนได้ไหมเออมันเจ็บมันปวดทุกทนทุกทรมานเพราะนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้บอกเอาไว้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราจริงไหมที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวเอาไว้เนี่เห็นไหมจริงไหมไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเป็นตัวตนของเราเราก็บอกได้อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนะเนี่มันก็ต้องอยู่ในโอวาทแต่บัดนี้ร่างกายจะแตกจากใจของเราแล้ว ใจของเราจะออกจากร่างแล้วถ้าเราพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะนั้นบางทีเผลอๆ เ, เราอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจของเราอาจจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสสาเร็จเป็นพระอรหันต์สมะสีสีสําเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ว่าจิตใจจวนเกียรอจะออกจากร่างจิตใจใจจะขาดัเร่างกายจะแตกออกจากใจ ใจจะแยกออกจากร่างกายใจก็เลยเบื่อหน่ายคลาย เ, าเป็นพระรหัสมีมากต่อมากแต่ถ้าไม่ได้ดถึงเป็นพระรหัสจิตใจของเราก็อยู่ในฌานหรว่าอยู่ในสมาธิในขณะนั้นจิตใจเราไม่กระวนกระวายจิตใจเราแน่นิ่งจิตใจของเราสงบนะพรมเป็นที่ไปไปเกิดเป็นพรมแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราคิดดูให้ดีนะอันนี้คือชีวิตประจวัน เรื่องชีวิตของพวกเราจะต้องได้เผชิญด้วยกันทั้งนั้น่ะอการเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายของเราก็ทําอย่างที่ว่าแต่ส่วนจิตใจนั้นเราก็ควรทําอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้นให้พวกเราให้ฝึกเอาไว้ตั้งแต่ดเนิ่นตั้งแต่ยังอยู่ดีมีสุขอย่างทุกวันนี่ะเดินไปที่ไหนมาที่ไหนก็ได้แต่เราก็ต้องพยายามสั่งสมบูรณ์กุศลเอาไว้อย่าประมาท ชีวิตของพวกเรานี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากไปเท่าไหร่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวคนนั้นหายไปเดี๋ยวค น, น, นหายไปแม่พี่น้องพ่อแม่ปูย่ย่าตา ย, ยายหายไปอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็คงจะหายไปเหมือนกับเขาเหล่านั้นเนี่ยเพราะนั้นถ้าว่าพวกเราคิดให้ดีแล้วนั่นแหละจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ทานอย่างพวกเราจะทําบุญในวันพรุ่งนี้เราหาโสดแสวงหาทรัพย์มาได้ ถึงจะได้มากใจน้อยเราก็เสียสละทําบุญทําทานจากนั้นก็รักษาศีลจากนั้นก็ภาวนาอยู่ในบ้านในเรือนของพวกเราก่อนที่จะหลับจะนอนให้ไหว้พระก่อนดีนะหลวงพ่อวันะพราะเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัททาใจให้สบายสบายทำใจให้เย็นสบายไหว้พระสก่อนอรหังสัมมาสัมพุทโธสวากโตสุปฏิปันโนจากนั้นถ้ามีเวลาลูกหลานนอนสงบเรียบร้อยแล้วก็ เราควรนั่งสมาธิบางก็ดีเหมือนกันห้านาทีสิบนาทีบริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ทำใจให้สบายๆนะอันนี้แหละเป็นการฝึกทางจิตใจถ้าเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าจวนเจียนใจของเราจะขาดนี่แหละอนในสงสมาธินี่ที่พวกเราฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะวิ่งจุดเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราพวกเราจะได้ยึดแนวทางภาคปฏิบัติพวกเราจะไม่เสียท่าเสียที ออกจากร่างไปก็ไปสู่สุขติภูมิใดภูมิหนึ่งที่สูงส่งขึ้นไปแต่ถ้าพวกเราไม่เคยฝึกอัดเอาไว้เนี่ยถึงข่าวโจรเกียนมาแล้วเราจะระลึกถึงคุณงามความดีเมืันก็ระลึกไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกเอาไว้ถ้าเราฝึกเอาไว้แล้วเนะี่ยอจิตใจของเราจะมั่นคงมีที่ยึดที่เหนี่ยวทางจิตใจเพราะนั้น การภาวนาและการปฏิบัติทำตามที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะนรกสวรรค์มีจริงนะบาปปุลคุณโทษมีจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วถ้าพวกพวกเราอยังลังเลสงสัยในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้พวกเราปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรท่านไปอยู่ป่าถึงหกปีนะ ไปปฏิบัติอยู่ในป่าหกปีท่านไปทำอะไรท่านไปฝึกหัดจิตตภาวนาของพระ อ, องค์ไปดูใจของพระ อ, องค์พอท่านไปอยู่ถึงหปีท่านก็รู้ได้ว่าร่างกายของคนเราที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมีสองอย่างอยู่ในนั้นสองอย่างนั่นคืออะไรกายกับใจกายก็คือร่างกายที่พวกเราเห็นนีนะ่ใจก็คือตัวผู้รู้ตีตัวนึกคิดนั่นะ ตัวนั้นแหะคือใจพระพุทธเจ้าไปนั่งบําเพ็ญอยู่ในป่าหกปีท่านไปดูกายกับใจของท่านไม่ได้ดูที่อื่นนะนั่งหลับตาดูใจใจนึกคิดเรื่องอะไรถ้าว่าไปทางความรักความชอบเรียกว่ากิเลสราคะถ้าทางไม่ชอบก็คือกิเลสโทสะแต่กิเลสราคะพอดีโทสะพอดีออกมาจากตัวผู้ตัวหลงคือตัวกิเลสคืออวิชชาคือความไม่รู้คือตัวหลง ถ้าว่ารู้แล้วจะไปโกรธทําไมถ้ารู้จะไปหลงทําไมเนะีเพราะฉนั้นท่านไปนั่งภาวนาอยู่ในป่าถึงหกปีท่านไปดูใจเนะีจากนั้นพระองค์ก็บอกพอนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกในวันเดือนหกเพนนนั่นอ่นะนะวันเดือนหกเพนตอนหัวค่ําจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง จิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเกิดฌานมางั้นแหละยานัศ um. นะคือความรู้พิเศษเอ่อทำจิตใจให้สงบระลึกชาติผนหลังได้เอ่อระลึกชาติผนหลังเออชาติที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่า ง, งานั้นระลึกชาติต่อไปอีกชาติต่อไปอีก possible. เออระลึกถึงเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเพราะญาณทัศนะของพระพุทธเจ้าละเอียดเอ่อละเอียดมากเกิดฌานจากนั้นพุทค์ก็บอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ه, ก, ỏ, ก่อภพก่อชาติมาเรื่อยๆจนถึงมาถึงจุดนี้ ه, เพราะนั้นเชื่อในพระพุทธเจ้านะถ้าพวกเรายังไม่เชื่อให้นั่งสมาธิวิธีการ ه, วิธีการที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้จรรมอย่างไรพระพุทองค์เนี่ยนั่งกันสมาธิอย่างพระประธานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยนั่งอย่างนี้ลนะ่ะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรง ดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกต่อมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่มั่นท่านให้กําหนดว่าเวลาหายใจเข้าพุทเวลาหายใจออกโทให้ยึดพุทโทพร้อมพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยนะถ้าพวกเราทําอย่างนั้นจิตใจของเราก็จะได้จะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วตอนนี้ละ เราไม่ต้องเชื่อใครแล้วคนนี้เชื่อตนเองนะเพราะเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวธรรมะเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองเออไม่ต้องเชื่อคนอื่นแต่อันดับแรกเนี่ยเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเพราะพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเขียนแผนที่ให้พวกเราเดินตกเราก็ต้องเดินตามแผนที่พระพุทธเจ้าเมื่อเราเดินตามที่ รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วนั่นแหละเทเนี่ยเราเชื่อพระพุทธเจ้าร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเปอร์เซ็นมันงั้นเถอะมีเท่าไหร่เปอร์เซ็นเชื่อหมดมังนงั้นแต่เดี๋ยวนี้พวกเรายังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่างที่หลวงพ่อพูดนะให้พวกเราปฏิบัติก่อนหลับก่อนนอนหรือว่าตื่นนอนตอนเช้าว่างๆให้นั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออก เราทําอย่างอื่นเรายัางทําได้นะถ้าว่าพวกเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อแบบลึกซึ้งฝังลากลึกเชื่อในการเห็นของตนเองแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่เชื่อในการทําบุญทําทานยังผิวเผินอยู่นะอันในสงสินอันในธงทานอันนี้ก็ไม่ประมาททําให้จิตใจมีความเยือกเย็นสงบร่มเย็นเป็นถุกในระดับหนึ่ง แต่ถ้าว่าภาวนาเนี่ยนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเนี่ยอันนั้นลึกซึ้งมากนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะให้ภาวนาหลวงพ่อว่าแนะนำให้ภาวนา อ, อย่างน้อยกับวันหนึ่งห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีได้ไหมนะเอเพราะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะตั้งแต่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับทราบนี่แหละตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปละ หลวงพ่อว่าเมื่อใดพอมีเวลาเราควรจะหาเวลานั่งภาวนาบ้างหรืออย่างน้อยฟังเทพฟังเทศขององค์หลวงตาแต่ละวันก็ยังดีนะหลวงพ่อว่านะเพราะธรรมเทศนาของหลวงตาทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ากว้างขวา ง, วางแถบอุอรนี่ก็ร้อยสามงถ้าเราเปิดฟังวิทยุขององค์หลวงตาร้อยสาม อย่างน้อยฟังวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ที่วันว่างๆ เ, าเราน่าจะฟังเทปของหลวงตาที่ท่านได้แสดงธรรมครูบาอาจารย์ อ, องค์ต่างๆอย่างกลางค่ํากลางคืนดึกๆอย่างเนี้ยเรานอนอิ่มขึ้นมาแล้วพยายามนั่งฟังสักกันหนึ่งเดีฟังให้จบสักกันหนึ่งหลวงตาพระท่านพูดอะไรต่อไปเนี่ยเราจะได้รู้ได้เข้าใจในหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระ พ, พุทธเจ้า เราจะวางตัวถูกแต่ตามไม่จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนะี่ยเหมือนกับยาขมนะเหมือนกับวอลเปเปอรอย่างนั้นอ่ะฟ้าทลายโจรอย่างนั้นอนะ่ะแต่ถ้าว่าเราพยายามฟังตั้งอกตั้งใจฟังถ้าธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วใจของเราจะเย็นสบายนะเหมือนกับเราเอ่อกินยาแก้โรคยาถูกกับโรคอย่างนั้นนะอ่ะเราก็หายจากโรคภัยแค่เจ็บแต่ถ้าว่าเรากินแต่ของสแสลงอยู่เรื่อยใจของเราก็มีแต่เร่าร้อน ขุน ม, มัวโมโหโทโซโกทาอยู่เราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะจิตใจไม่มีหลักจิตใจไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจจิตใจของเราจะรุ่มเร่าร้อนนะความกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหกิเลสโลภโกรดหลงจะมาลงมมาตุ่มในจิตใจของพวกเราทางว่าพวกเราศึกษาหลักธรรมมาเข้าสู่จิตใจแล้วนะพวกเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขที่หลวงพ่อแนะนํา ควรจะฟังเทศนะแล้วก็ควรจะนั่งภาวนาอย่าได้ขาดแต่ละวันแล้วก็พร้อมกันก็ให้ฟังเทศในขณะที่ฟังเทศจะทํานั่งคัตสมาธิดูใจของตนเองไปด้วยการฟังเทศนั่นแหละอย่าไปคุยกันอย่าไปเปิดวิทยุอะไรโทรทัศน์เข้ามาแทรกแทงพยายามนั่งให้นิ่งแล้วก็ภาวนาฟังเทศไปด้วยหรืออย่างน้อยก็เอาฟังเทศหลวงพ่ออินนี่ก็ได้ ซีดี CD ของหลวงพ่อที่อัดให้ที่แจกไปพยายามฟังบรรละวันละกันหรือวันอาทิตย์ฟังสักกันหนึ่งก็ได้แต่ตั้งใจฟังนะถ้าตั้งใจฟังแล้วหลวงพ่อคิดว่าธรรมะจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเราจะมีความคิดนะเป็นมีแนวความคิดขึ้นมาอีกแนวในระดับหนึ่งนะ่ะเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะถ้าว่าไม่ได้ยินได้ฟังจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมานะ เป็นไปได้ยากเพราะนั่นไงว่าฉุดตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังจะเกิดปัญญานั้นไม่มีทางเหมือนกันเพราะนั่นฉุดตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาเมื่อได้ยินแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังมาแล้วจินตนาการไข้ควรทบทวนเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมาอันนี้ก็เกิดปัญญา และก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาคือก่อนที่จะเกิดปัญญาที่ลึกซึ้งตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้ต้องนั่งภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นเป็นพระ อ, อริยบุคคลพระโสดาจักตาคาอนาคาเป็นพระอรหันได้เพราะว่า สรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังตั้งแต่เบื้องต้นนั่นสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนะี่ยพวกเราให้ศึกษานะหลวงพ่อได้พูดวันนี้ก็เห็นว่ายืดยาวพอสมควรพวกญาติโยมศรัทธาลูกหลานออกตนญาติโยมคงจะเหนื่อยในการเดินทางวันพุงนี้นะเตรียมตัวทาบุญอุทิศสวนกุศลถึงบรรพชนของพวกเราตอเ น, นื่อไปหลวงพ่อจะอนุโมทนาให้พร